โอกาสครับหลวงพ่ อ, อเฉลการข้าพรรษาเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกคนทั่วไปรือเพพาะในยุคปัจจุบันก็มักจะเข้าใจว่าเฉลการข้าพรรษา เป็นเทศกาลสมัครพระเท่านั้นคือเป็นช่วงเวลาที่พระจะได้มาจำพรรษากันตลอดสามเดือนอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญสำหรับญาติโยมด้วยก็คือเป็นช่วงเวลาที่จะได้ เข้ามาใกล้ชิดกับธรรมะมากขึ้นเข้าบรรษานี่คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เข้าหาธรรมใครที่อยู่ไกลธรรมะก็จะได้เข้ามาใกล้ธรรมะมากขึ้นสมัยก่อนจะเข้าใกล้ธรรมะก็หนีไม่พ้นต้องมามาที่วัดมาเข้าใกล้วัดมากขึ้นเพราะฉะนั้น ช่วงนี้แหละที่ผู้คนก็จะมาที่วัดใครที่เป็นผู้ชายเป็นกุลบุตรอายุครบบวชก็จะก่อนนั้นนี้ก็จะมามาบวชกันก็จะมีการแห่หน้าเป็นที่เอิกระเริก สมัยก่อนนี้ก็มีการแถนหน้ากันแม้กระทั่งในกรุงเทพวันหนึ่งบางทีก็หลายหลายคณะแต่เดี๋ยวนี้ก็สาซาไปผู้คนก็นิยมมาบวชกันในช่วงเขา้าพรรษาเพื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติเป็นการกลมกล่าจิตใจสำหรับ ไ ป, ไปเผชิญโลกเพราะว่าสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ที่จะบวชตลอดชีวิตก็บวชระยะสั้นบวชเพื่อจะได้เป็นคนสุขแล้วก็จะได้ไปเป็นผู้นาครอบครัวส่วนที่เหลือนอกนั้นก็ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษามาปฏิบัติธรรมมาจำศีลสำหรับคนที่มีเวลา หรือถ้ามมีเวลาก็มารักษาศีลมารับศีลจากพระแล้วก็ไปรักษาไปปฏิบัติกันที่บ้านใครที่มีกำลังมากหน่อยมีศรัทธามากก็มาจำพรรษาร่วมกับพระไปเลยหรือว่าบางทีก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชชีถ้าช่วงนี้เป็นช่วงของการ ปฏิบัติเป็นช่วงการทำความเพียรพวกเราคงทราบอยู่แล้วว่าทำเนียมการเข้าพรรษารนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากการที่ฤดูการนะแปรเปลี่ยนไปคือเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขานะทำนาทำไรตามตำนาน ก็เล่าว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าในช่วงนี้ชาวบ้านก็ทำนากันถ้าหากพระท่านจาริกไปตามที่ต่าง ๆ, ๆเหมือนเคยก็จะไปเหยียบย่ำนาของชาวบ้านก็เลยมีการบัญญัติให้เป็นช่วงเข้าบรรษา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินแล้วก็ได้ล่าเรียนมาแต่ที่จริงแล้วคงมีสาเหตุอื่นด้วยนะเพราะว่าสมัยก่อนแม้ชาวบ้านจะทำนากันแต่ว่าที่ที่ดินส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นที่นาเป็นป่าบ้างเป็นที่ดอนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพระ จ, ะจาริลกไปที่ไหนก็มี ที่ว่างอีกเยอะนะที่จะจาลิกไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเหยียบย่ำนาของชาวบ้านนะเพราะเดี๋ยวรู้ว่าสมัยก่อนนะผู้คนมีน้อยนะหมู่บ้านก็เล็กๆพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่ากส็สามารถที่จะลิกเลี่ยงนะการไปการจ่าลิกโดยไม่ไปผ่าน การชุมชนหรือไรนาของชาวบ้านได้เหตุผลที่นอกเหนือจากการที่พระองค์ได้บัญญัติการเข้าพรรษาก็อาจจะทรงประสงค์อยากจะให้ชาวพุทธเราได้มีช่วงเวลาสำหรับการทำความเพียร ในช่วงนี้ในช่วงหน้าฝนชาวโลกนะก็ทำนากันอย่างเต็มที่เป็นช่วงที่มีการทำงานนะปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆมากมายเทศกาลงานพิธีต่างๆจะไม่ค่อยมีในช่วงในช่วงนี้จะแต่งงาน จะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะมีเทศการลรื่นเริงต่างๆก็มีหลังจากเข้าพรรษาหรือว่าหลังจากออกพรรษาไปแล้วหรือไม่ก็ก่อนเข้าพรรษาชาวบ้านก็ทำงานกันอย่างขมักขม้ น, มนก็ช่วงนี้แหละนะสามเดือนนี้ในขณะที่ชาวโลก เขาทำงานกันอย่างแข็งขันก็ควรเป็นโอกาสที่ชาววัดหรือผู้ที่ฝ่ายรมก็จะได้ระดมความเพียรในการทำงานของตัวเองเหมือนกันก็คืองานภายในชาวนาปลูกข้าวชาววัดโดยพ่อพระก็ปลูกสติปลูกธรรมะปลูก ปัญญาปลูกกุศลให้เจริญงอกงามนี่คือนี่คือช่วงเวลาที่ทั้งชาวโลกและชาววัดนะจะได้ทำความเพียรตามวิธีทางของตัวชาวบ้านก็ตื่นแต่เช้าไปทำนาสมัยก่อนนาเป็นหลักนะไร่มีน้อยต้องตื่นแต่เช้าเราจะเห็นชาวบ้านตื่นแต่เช้าแบก จูงงัวจูงควายไปทำนาอันนี้ไม่เหมือนภาพสมัยนี้แล้วสมัยนี้ก็ทำไร่อาจจะไม่ค่อยได้ตื่นแต่เช้ากันเท่าไหร่สมัยก่อนชาวบ้านก็ตื่นแต่เช้าไปทำนาแล้วชาววัดทำอะไรนะก็ทำนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นนาที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่ก็คือการสร้างความเจริญงอกงามเป็นการบ่มเพาะสติปัญญาบ่มเพาะคุณธรรมภายในจะเรียเป็นการบ่มเพาะต้นกาแห่งโพธิ์ก็ได้นะเพราะทุกคนก็มีความสามารถในการตรัสรู้มีความสามารถในการบรรลุธรรมกันทั้งนั้นอย่างที่พูดเมื่อวานว่าพระพุทธองค์ เป็นแบบอย่างของบุคคลที่สามารถจะพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าตัสรู้ธรรมบรรลุซึ่งความหลุดพ้นได้ทั้งที่ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ก็แล้วก็มีความสามารถเช่นเดียวกับเราแต่พระองค์ทรงมีความเพียรมาก ความเพียร น, นี้ก็อาจจะบำเพ็ญมาหลายหลายภพหลายชาติแล้วแต่แม้ในชาติสุดท้ายก็ยังยังทรงใช้ความเพียรอย่างเต็มที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะว่ามีโพธิจิต นะหรือว่ามีความเป็นพุท ธ, ธะอยู่ในใจาจิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้มีความสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแค่เป็นเมล็ดเป็นแค่เมล็ดที่ยังไม่แตอกออกมาเป็นต้นกล้าหรือว่าบางคนก็ มเมล็ดนี้ก็แตกออกมาแล้วเป็นต้นกล้าแต่ว่ายัางต้องการการดูแลต้องการการประคบประงมนะต้องการการเอาใจใส่อาการที่เราจะดูแลต้นกล้าแห่งโพธิ์ที่นี้ให้เจริญงอกงามนะก็ต้องใช้ความเพียรเหมือนกันก็ต้องทํางานเหมือนกับชาวนานะชาวนาก็ต้องคอยดูแลต้นกล้าให้เจริญงอกงาม แล้วก็ไปคอยดูแลรักษาไว้ให้รอดพ้นจากอันตรายไม่ว่าจะเป็นหนูไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหรือว่าปูที่จะมาคอยแทะกินตลอดจนอันตรายจากธรรมชาติอื่นๆช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็เหมือนกันนะพวกเราชาววัดรวมทั้งผู้ปฏิบัติธรรมด้วยก็ควรถือเป็นโอกาสที่เราจะ บมเพาะทำความเจริญงอกงามให้แก่โพธิจิตในใจเราหรือว่าช่วยกันบมเพาะกุศลธรรมภายในให้เจริญงอกงามถึงแม้ว่าสมัยนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำนากันแล้วในแต่เกษตรก ร, ร, กรที่ทำนาก็เป็นส่วนน้อยไปทำอย่างอื่นซะเยอะนะเป็นชาวไร่อย่างบนหลังเขานี้ก็หาชาวนาได้ยาก แต่ว่าหน้าที่ในการที่จะทำความเพียรเพื่อบ่มพาะกุศลธรรมภายในให้เจริญนอก ง, งางก็เป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะชาวพุทธที่จริงต้องทำตลอดปีทำตลอดชีวิตตามใดที่ยังไม่เสร็จกิจก็ต้องทำจนตลอดชีวิตแต่ว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงสาคัญนะเป็นช่วงแห่งการทาความเพียรแล้วก็ช่วยกัน นะส่งเสริมให้ทำความเพียรเพื่อสร้างกุศลรธรรมให้เกิดขึ้นในใจเราแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างไรด้วยนะชาบพุทธเราเป้าหมายชีวิตของเรานะก็ตั้งไปที่จุดหมายสูงสุดก็คือการเข้าถึงพระนิพพาน หรือว่าการทําความดับทุกข์ให้สินส้นก็คือนิโรธเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วว่าในปฐมเทศนาเนี่ยนอกจากพงศ์จะพระพุทธองค์จะได้สอนถึงเรื่องทุกข์สมุทัยแล้วก็ยังมีนิโรธและมรรคนิโรธนี่หมายถึงความดับทุกข์หมายถึงความพ้นทุกข์นะคือความสงบเย็นซึ่งเป็นไปได้สําหรับ มนุษย์ทุกค น, น, คนดังมีพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างาที่โรนเนี่ยหมายถึงจุดหมายของชีวิตคนเราจะเจริญงอก ง, งามเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าตั้งจุดหมายชีวิตไว้แค่ไหนหรือตั้งจุดหมายชีวิตไว้อย่างไรสมัยนี้คนจํานวนมากก็ตั้งจุดหมายชีวิตไว้ว่าอยากจะรวยอยากจะมีชื่อเสียงนี่อยากจะมีอํานาจนะหรือ ไกลหน่อยก็อาจจะอยากไปเกิดในสวรรค์นะแต่เดี๋ยวนี้คิดแบบนี้น้อยลงไปทุกทีส่วนใหญ่ก็อยากจะร่ำรวยอยากจะมีชื่อเสียงตั้งเป้าว่าอายุ40ก็จะมีเงินพันล้านหกสิบก็หลายพันล้านถ้ามีคนคิดแบบนี้อยู่เ ป, เป็นจำนวนมากแต่นั่นไม่ใช่จุดหมายชีวิตของชาวพุทธ จุดหมายชี้ของชาวพูดถึงที่สุดแล้วก็มุ่งไปที่พระนิพพานและนิโรธเนี่ยนิโรธในปฐมเทศนาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเตือนใจให้เราเห็นว่าความดับทุกข์ความดับทุกข์นั้นเป็นไปได้แล้วก็ควรจะถือเป็นจุดหมายของชีวิตด้วยและเมื่อมีจุดหมายชีวิตเช่นนี้ก็ต้องก็ต้องแสวงหาหนทางหรือว่าทำ ทำองค์มรคให้เกิดขึ้นหรือว่าภาวนาคือพัฒนาทำให้มากอันนี้ก็เป็นเรื่องของมรคมีองคแปดละเมื่อตั้งป้าหมายชีวิตว่ามุ่งไปที่นิโรธนะก็ต้องเจริญองค์มรคให้ให้เพิ่มพูนมากขึ้นช่วงเทศกาเข้าบรรษานี่แหละก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไตรตรองนะถึงจุดหมายของชีวิตผู้คน เมื่อมาเข้าวัดฟังธรรมเมื่อมาได้มารักษาศีลได้อยู่ใกล้ชิดพระหรือว่าบางบางคนก็มาบวชก็เป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนหรือว่าตั้งเป้าให้กับชีวิตหรือใครที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็จะได้ไม่หลงลืมจะได้พยายามที่จะ สร้างตั้งใจให้มัน่นคงให้มีจิตแน่วแน่ในจุดหมายชีวิตนั้นสมัยนี้คนเราลืมไปแล้วว่านิพพานนั้นเป็นไปได้นิพพานนั้นควรเป็นจุดหมายของชีวิตแม้แต่พระจานวนไม่น้อยก็คิดว่าไม่มีทางที่คนเราจะเข้าถึงนิพพานได้แล้วหรือพระอรหันต์ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วในโลกนี้ อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความคิดของคนปัจจุบันนะคิดกันม า, มาเป็นร้อยปีแล้วว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้เข้ามาใกล้ชิดกับธรรมะใกล้ชิดวัดก็จะเกิดความมั่นใจหรือว่ามันเป็นไปได้ <c oughs> แล้วก็จะต้องทำให้ได้แม้จะอาจจะไม่ได้ในชาตินี้ก็อาจจะก็ต้องทำให้ เกิดเป็นจริงได้ในชาติต่อๆไปและเมื่อตั้งจิตอย่างนี้แล้วนะก็จะได้ทำความเพียรฝึกฝนตนอริมักมีองค์แปดที่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสุดที่สัมมาสมาธนะิเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำและเพิ่มพูนให้เกิดขึ้น ก็ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษานี่แหละที่จะระดมความเพียร น, นะทำในเรื่องนี้คนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในทางธรรมะมากแต่พอถึงช่วงเทศกาลเข้าบรรษาอย่างน้อยก็จะต้องเข้มงวดในเรื่องศีลโดยเพราะศีล5การฆ่าสัตว์นี่จะทําน้อยมากนะแล้โดยพราะข้อที่5เรื่องอบายามุขก็จะละเว้นนะ การกินเหล้าก็ดนะีการเข้าหายาเสพติดก็ดีก็จะเว้นกันในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามนุษย์เรานะจะจะหลุดพ้นจากอบายหรือไม่นะก็อยู่ที่ว่ามีการรักษาศีลทั้งห้านี้ได้มากน้อยเพียงใดรวมทั้ง ทำมากไปกว่าที่กําหนดไว้เป็นศีลห้าด้วยเชื้อเลี้ยงอไบยมุกอไบายามุกที่นอกเหนือจากเล่าสุรามันก็มีอยู่อีกเยอะนะการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพ น, นันหรือว่าการครบคนชั่ว <c oughs> การหมกมุ่นอยู่ในความบันเทิงอันนี้ก็เป็นอไบายามุกอไ บ, อบายามุกคือทางสู่ความเสื่อม หรือผู้อีกอย่างนึงคือว่ามันเป็นตัวทําให้เราหลงลืมอบาบยมุกเนี่ยถ้าไปคล้องเกี่ยวแล้วก็ทำให้หลงลืมลืมลูกลืมเมียลืมภาระหน้าที่ลืมการงานและที่สาคัญคือ ก, ก็คือลืมตัวเองอบาบยมุกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโทษก็เพราะมันทาให้ลืม ลืมตัวเองลืมลูกเมียลืมหน้าที่การงานมันจึงพาผู้คนสู่ความเสื่อมพูดถึงอบายมุขพวกเราหลายคนก็จะถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วแต่ที่พูดมานี้เป็นอบายมุขแบบเก่าๆอบายมุขสมัยใหม่มันมีอีกเยอะมันมีเยอะมากไม่ใช่แค่อบายมุขโ อย่างที่เราเคยเรียนกันมานะการสมัยนี้เจ้าจะว่าไปนะการเที่ยวห้างก็เป็นอบายามุกได้หรือว่าการติดติดเกมก็เป็นอบายามุกได้นะแล้วบางทีอาจจะเป็นอบายามุกที่รุนแรงมากเมื่อสองเดือนก่อนมีข่าวว่าสารเกาหลีใต้เนี่ยตัดสินจาคุก สามีภรรยาคู่หนึ่งข้อหาทิ้งลูกจนตายทิ้งลูกจนอดอาหารตายไม่ได้ทิ้งลูกในกองขยะนะทิ้งลูกไว้ที่บ้านลูกอายุสามเดือนทำไมพ่อแม่ถึงทิ้งลูกไว้ที่บ้านเพราะพ่อแม่ไปคลุกอยู่ในร้านอินเทอร์เนต็ตเล่นเกมออนไลน์เล่นทั้งวัน นะไม่มีเวลาดูแลลูกดูแลลูกแค่วันละครั้งก็คือตอนที่กลับมาสุขหัวนอนเนี่ยพอไม่เลี้ยงดูลูกลูกก็เลยขาดอาหารตายและที่น่าเศร้าคือว่าเกมที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นเกมชื่อพรีอุสเป็นเกมเกี่ยวกับการช่วยเด็กผู้หญิง ให้ให้รอดให้ฟื้นความจำกลับมาพ่อแม่คู่นี้นะสนใจที่จะช่วยเด็กในเกมแต่ว่าลืมทิง้งลืมดูแลลูกตัวเองนะสองคนนี้ก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นนะพ่อก็อายุสี่สิบเอ็ดแม่ก็ยนะี่สิบห้าติดขนาดหนักนี่คืออบายมุกนะ่างหนึ่งของโลกสมัยใหม่ที่ทำให้คน ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ลืมลูกนะสารก็เลยตัดสินจาคุกก็คงมีเหตุแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ไม่ถึงกับรุนแรงขนาดนี้นะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่จะได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะพวกเราส่วนใหญ่เวลาพูดถึงการเข้าพรรษานะเราก็นึกแต่เพียงว่าเออนะไม่แตะต้องเล่ายา นะบุหรสิ่งเสพติดต่างๆไม่เที่ยวกลางคืออาจจะไม่รู้หนังอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีอบายมุกอย่างอื่นที่เข้ามากเกาะกินจิตใจของเราซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะไม่ได้คิดว่านั่นเป็นอบายมุกนะซึ่งมันก็ทําให้กลายเป็นทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะเสื่อมถอยหรือเป็นตัวเหนี่ยวล้างชีวิตของเราให้ไม่ไม่ให้เจริญก้าวหน้าไม่เกิดความเป็นอิสระในจิตใจ ช่วงเวลาเข้าปัญญาเนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องหันมาใส่ใจเรื่องนี้ด้วยนอกจากเรื่องเรื่องศีลแล้วนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็เป็นสิ่งที่ควรต้องใส่ใจกันคนที่มาบวชพระนั้นมาถือศีลสองยีข้อจากเดิมที่เคยสือถือศีลห้าข้อหรือบางคนไม่ถือเลยนั้นมาถือศีลสองยยีสข้อก็เป็นเรื่องที่น่านุโมทนา แต่ก็อย่าพอใจเพียงเท่านั้นเพราะว่าถ้ามาท้าร า, ากาศีลห้าหรือขยบจากศีลห้ามาถือศีลสองรยยแต่ว่าไม่ทำอะไรมากจากนั้นการถือศีลนั้นก็อาจจะทำให้ทุกข์ได้ก็คือรู้สึกว่าลาบากรู้สึกว่าไม่เป็นอิสระทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้การมาบวชพระ การรักษาศีลก็จะกลายเป็นเรื่องยากที่ทำความทุกข์ทรมานให้ยากโยมก็เหมือนกันบางคนมาจากถือศีลหามาเป็นศีลแปหรือจากที่เคยหมกบุญกับอาบายามุขบางอย่างก็ละเวน้นะก็ไม่ไม่ทไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยเช่นการเจริญสมาธิภาวนาก็อาจจะกลายเป็นการเก็บกฎขึ้นมาได้ มีคนหนึ่งเนี่ยแกก็ดีนะตั้งใจดีเป็นคนขี้เล่าพอถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็งดเล่านะแกก็งดจริงนะแต่พอถึงวันออกพรรษานี่แกเรียกว่าดีแตกนะออกพรรษานี่ก็คิดว่าเหมือนก็ออกจากคุกนะกันนะก็หันไปกินเล่าตั้งแต่วันออกพรรษาเลยเสร็จ แ, แล้วพอกินเล่าเนื่องจากอดมานานก็เลยกินแบบ เต็มที่เลยจนเมายำเปแล้วก็เลยทะเลาะ ก, กับเมียทะเลาะ ก, กับเมียก็เลยเกิดปากเถียงมีการมีปากเทียงมีการโต้เถียงกันสุดท้ายก็เลยมีการทําร้ายเมียเมียนี่ไม่รู้จะทํำยังไงนะถูกตีถูกตบถูกเอาหัวฟาดพื้นเพลินเห็นเห็นคราดอยู่ใกล้ๆไม่รู้ทําไงก็เลยเอาคราดเนี่ยฟาดปาก อ, กอกผัว ก็ต้องการป้องกันตัวละโกรธแค้นด้วยไปปรากฏว่าผัวตายในวันออกพรรษานี่เองเพราะว่าเมาเนื่องจากเก็บกฎไว้นานไม่ได้กินเหล้ามาทั้งพรรษาแล้วนี่เป็นลักษณะของคนที่รักษาศีลจําศีลแต่ว่าหรือว่าพยายามที่จะเข้มงวดในเรื่องในเรื่องศีลแต่ว่าเรื่องของสมาธิและปัญญาไม่ได้ทําไม่ได้บําเพ็ญพวกเราเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกรรมปัญสารนี้ถ้าเข้าหาธรรมแล้วก็ต้องเข้าหากันอย่างครบถ้วนนะทานก็แล้วทานทําแล้วศีลทําแล้วก็ต้องภาวนาด้วยหรือว่าเจริญในศีลสิกขาแล้วก็ต้องอใส่ใจในเรื่องของจิตสิก ข, ขาแล้วก็ปัญญาสิกขาด้วย <c oughs> ก็คือการทําสมาธิภาวนานั่นเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่า <c oughs> ท่านที่บวช <c oughs> นะ มาจำพรรษาที่นี่หรือว่าตั้งใจจะม า, ารักษาศีลที่นี่รวมทั้งญาติโยมด้วยไม่ว่าจะญาติโยมที่จะมาจําศีลที่วัดหรือว่ า, าตั้งใจที่จะฝึกฝนตนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา <c oughs> ก็อย่าได้ละทิ้งเรื่องการาภาวนาเดยเพราะที่นี่เราเน้นเรื่องการเจริญสติถ้าเราเจริญสติเป็นจิตใจก็จะมีความสงบ นะความสงบนี้เป็นความสงบจากภายในโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความสงบจากภายนอกนะแต่ใหม่ๆก็ต้องอาศัยความสงบจากภายนอกมาช่วยกล่อมกล่าใจให้สงบภายในถ้าว่าเรารู้จักเจริญสติทมสมาธิภาวนาก็จะมีความเย็นภายในและความเย็นนี้แหละเป็นความสุขนะที่มันประเสริฐกว่าการที่ เสพกามาสุขอย่างที่เราอธิบายเมื่อวานว่าการมาสุขนี้ไม่ใช่หมายถึงเรื่องของเรื่องเพศอย่างเดียวเรื่องเพศลดเพศสัมผัสอย่างเดียวการพึงพอใจในรูปรดกลิกก่นเสียงที่น่าพอใจก็เป็นการมาสุขอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกเป็นสุขที่ต้องอได้มาด้วยการแข่งขันกับผู้อื่น และต้องเหนื่อยในการรักษาและยังเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนคือเบื่อง่ายเบื่อง่ายเสพไปนานๆนนมันก็เริ่มเบื่ออาหารอร่อยกินไปบ่อยๆกินบ่อยๆกินทุกมมื้อทุกมือกม้อก็เบื่อเพลงไพเราะแค่ไหนฟังสักร้อยครั้งก็เริ่มเบื่อหรือแม้แต่คนคู่รักที่ไม่ว่าจะวิเศษ นะสวยหยุดย้อยรอเราเพียงใดอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันทุกวันก็เบื่อนะตนต้องไปหาของใหม่ไปหาสินใหม่ไปหาคนใหม่นี่คือธรรมชาติของการมาสุขแต่มันไม่เหมือนกับสุขที่เกิดจากความสงบเย็นภายในที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาที่เกิดจากการเจริญสติที่เกิดจากการเจริญปัญญา มันจะเป็นสุขที่ประนีตประเสริฐกว่าการมาสุแล้วก็จะหล่อเลี้ยงให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายได้แม้จะห่างไกลจากอบายมุขที่เคยให้ความสุขแก่เราที่เคยให้ความเพลิดเพลินแก่เราก็ไม่รู้สึกว่าทรมานอย่างใดนะเพราะว่ามีสุขที่ประเสริฐที่ประณีตทางใจเนี่ยมาทดแทนแคนเราต้องรู้จัก หาความสุขที่ประณีที่ประเสริญเนี่ยมาทดแทนความสุขห ย, ยาบๆนะหรือ ว, ว่าความสุขจากอเวมุกและเราจะรู้จักหรือเข้าถึงความสุขแบบนี้ได้อย่างไรก็ต้องทดลองต้องปฏิบัตินะแม้ว่าใหม่ๆอาจจะเบือ่ออาจจะลำบากอาจจะไม่คุ้นนะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นชีไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติเมื่อเข้ามา ลองปฏิบัติใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากไม่คุ้นะแลวที่สำคัญคือมันน่าเบื่อนะทำอะไรซ้ำๆยกมือเคลื่อนไหวไปมาซ้ำๆเดินจงกลมกลับไปกลับมาซ้ำๆไม่เหมือนการเที่ยวห้างไม่เหมือนกับการดูดหนังมันมีอะไรใหม่ๆให้ได้เสพอยู่ตลอดเวลาโดยเพราะสมัยนี้เรานิยมสิ่งใหม่อะไรต้องใหม่อยู่เสมอนะจำเจถือว่าไม่ดี ซ้ำซากถือว่าไม่ดีทำอะไรซ้ำา้กันถือว่าไม่ถูกนะแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต้องทำอะไรซ้ำาๆเมื่อการเขียนหนังสืออ่ะเราจะเขียนหนังสือเป็นตัวเราก็ต้องทำซ้ำซ้ำทำซ้ำซ้ำเราก็จะเขียนได้คล่องเขียนได้สวยเราจะเรียนภาษาเราก็ต้องท่องคำซ้ำาๆท่องอยู่นั่นแหละไอ้คำานี่ท่องเป็นร้อยครั้งอย่างจำไม่ได้ก็ต้องท่องอีก ท่องจนมันจำได้ติดใจนะการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะเอาชนะให้ความจำเจความความรู้สึกจำเจความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ก็จะเกิดเป็นความสุขและความสุขนี่แหละก็จะช่วยทำให้เรามีความสุขพึงพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่มั่นคงในศีล เพราะฉะนั้นช่วงข้าพันศานี้ถึงเป็นช่วงที่สำคัญนะที่ไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสนี้ละเลยไปโดยพราผู้ที่อุตส่าห์เสียเวลามาบวชที่นีนะ่หรือว่ามาจําศีลที่นี่จะถือศีลสองรเจ็จะถือศีลสิบจะถือศีลแปก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจนะขอให้ถือเอาความเอา เอาความเพียรเนี่ยนะเป็นเป็นหลักเรียกว่าเอาวิริยะเป็นทับหน้านะเอาปัญญาเป็นทับหลวงนะปฏิบัติธรรมมันต้องมีทัพหน้ามันมันก็การต่อสู้นะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความเคยชินเดิมๆซึ่งฉุดให้ชีวิตตกต่ำลงนะความเคยชินที่ดีก็มีความเคยชินที่ไม่ดีก็มีไม่ใช่เฉพาะเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีอาจจะล้มถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีที่ฟุ้งซ่านที่ชอบมองอะไรในแง่ลบที่ชอบทําร้ายตัวเองชอบซ้ำเติมตัวเองเราก็ต้องต่อสู้กับความเคยชินแบบนี้ต่อสู้กับกิเลสเหล่านี้ซึ่งเป็นสมุดไทยแห่งความทุกข์จะสู้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการจัดทับนะต้องมีวิริยะเป็นทับหน้านะมีปัญญาเป็นทับหลวง เอาความเพียรนิรุยอย่างเดียวเลยใช้ความเพียรก่อนนะจะไม่ยอมเหาะแย่ง่ายๆนะตั้งจิตเอาไว้ว่าเราจะทำความเพียรใช้ความเพียรแต่ว่าทำความเพียรแล้วเนี่ยมันถ้าไม่มีปัญญาก็จะหลงทิศหลงทางได้ปัญญาก็เป็นตัวสอดส่องว่าปฏิบัติถูกไม่ปฏิบัติได้เหมาะสมไม่วางจิตวางใจเป็นหรือเปล่านะ ต่อไปต่อไปพอทําไปทําไปมันจะเกิดฉันทะขึ้นจะเกิดฉันทะคือความชอบปฏิบัติใหม่ๆนี่ไม่ชอบเลยแต่ว่าต้องฝืนทําก็ทําด้วยความเพียรแต่พอทําไปได้ผลหรือว่าจิตใจสงบก็จะเกิดฉันทะฉันทะก็ทําให้เกิดความเพียรมากขึ้นแล้วก็จะเกิดมีการจิตก็จะเริ่มนิ่งจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ทําก็จะเกิด ฉันทะวิริยะจิตตะเนื่องจากเรามีปัญญาเป็นทัพหลวงอยู่แล้ววิมังสาก็จะตามมาได้ไม่ยากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้คือสูตรแห่งความสำเร็จนะเราเรียกว่าอิทธิบาทสเป็นทางแห่งความสำเร็จอิทธิในที่ น, น, นี้หมายถึงความสาเร็จทำให้บรรลุได้ไม่ว่าจะความสำเร็จในทางโลกหรือในทางธรรม ดันั้นผู้ที่มาอุตส่าห์เสียเวลาสละเวลามาจำพรรษาที่นี่ก็ขอให้พยายามที่จะรักษาแล้วก็สร้างอิทธิบาสีให้เกิดขึ้นนี้ให้ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าคอยเริ่มต้นจากวิริยะก่อนแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวตามมาแต่ถ้าใครที่มีฉันทะอยู่แล้วก็ยิ่ง ก็ยิ่งยิ่งดียิ่งน่านุโมธนาแต่ถ้ายังไม่มีชันท่า ก, ก็ขอให้มีวิริยะ ก, ก่อนขอให้เราลึกว่าเราอุตส่าห์มาบวชเนี่ยการที่เรามาบวชเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเสียเวลาอย่างเดียวแต่ว่ามันหมายถึงการที่เราทิ้งภาระความรับผิดชอบให้กับคนอื่นด้วยนะทิ้งภาระให้กับเพื่อนร่วม ง, งานหรือว่าทิ้งภาระให้กับพ่อแม่อย่างเช่นลูกชายมาบวช พ่อแม่ซึ่งทำไรทำนาก็ขาดกําลังไม่มีกําลังที่จะมาไม่มีคนที่จะมาช่วยทำไรทำนาพ่อแม่ก็ต้องทำงานหนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชนบทเวลาลูกชายมาบวช น, นี่พ่อแม่ทำนาหนักกว่าเดิมทาไรหนักกว่าเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยมีลูกกันแค่สองคนคนเดียวก็มีที่ ที่วัดป่ามหาวันเนี่ยจะมีชาวบ้านมาบวชอยู่ทุกปีแต่บวชได้ไม่นา น, นบางทีก็บวชแค่15วันก็ต้องศึกก็เลยต้องบวชนอกพรรษาหรือมาบวชสามเดือนมีฉันท่าในการบวชอยากจะบวชต่อแต่บวชไม่ได้เพราะว่าเป็นฤดูขุดมันก็ต้องศึกไปขุดมันแต่ในระหว่างที่บวชนี่นพ่อแม่ก็รับภาระต้องทำต้องทนาเหนื่อย ก็คอยเราตระหนักว่านะพวกเราที่มาบวชหรือว่ามาจำพรรษามาถือศีลที่นี่จะเป็นพระก็ดีจะเป็นญาติโยมก็ดีคอยเราลึกว่านอกจากเราะจะต้องมาเสียเวลาเสียโอกาสมาเที่ยวเที่ยวสุขสนานมามาปฏิบัติแล้วเนี่ยการมาของเรายังอาจจะเป็นภาระกับคนอื่นที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ที่บ้าน เขาต้องทางานหนักกว่าเดิมเพื่อให้เราได้มาบวชเพื่อเราได้มาปฏิบัตนะิเพราะฉะนั้นเราจะทำเล่นๆไม่ไดนะ้ต้องตั้งใจจริงต้องพร้อมที่จะนะเหนื่อยพร้อมที่จะลำบากเพราะว่าคนอื่นเขาก็ลาบากไม่น้อยก่าเรานะชาวโลกนี่เขาทำนาทําไรนะบางคนก็เป็นกรรมก ร, รก่อสร้างนะเขาเหนื่อยเเหนื่อยกว่าเราเยอะเรามาบวช ไม่ได้มีความทุกข์กายอะไรเลยอาจจะมีความไม่สะดวกทางกายอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะมีความทุกข์ใจเพราะว่าต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศที่ไม่คุ้นนะต้องมากินข้าวมือเดียวบ้างสองมื้อบ้างและที่สำคัญคือต้องมาปฏิบัติเนะชา้ากลางวันเย็นนะไม่ไม่ถนัดเลยก็ขอให้ตั้งใจสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทาความเพียรได้อย่างเต็มที่ก็คือต้องมีอธิษฐาน อธิษฐานสำคัญมากอธิษฐานแปลว่าอะไรอธิษฐานคนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงการขอนะขออธิษฐานขอให้มั่งมีขอให้หายป่วยอธิษฐานขอให้ถูกหวยรวยเบอร์อธิษฐานขอให้ได้แฟนดีแฟนหลอ่อ น, นั่นคืออธิษฐานของคนไทยแต่ชาวพุทธเราไม่อธิษฐานแบบนี้อธิษฐานของชาวพุทธแปลว่าตั้งจิตแน่วแน่ ว, ว่าจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็มักจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะทําช่วยนี่ไม่ต้องอธิษฐานหรอกนะมันมันทำด้วยความเต็มใจอยู่แล้วมันไม่ต้องตั้งจิตแน่วแน่หรือบางทีอธิษฐานด้วยความอบหรือบางทีก็ทําด้วยความหลงแต่ว่าจะทําความดีเนี่ยมันคือการทวนกระแสกิเลสเพราะฉะนั้นต้องมีการอธิษฐานคือการตั้งจิตแน่วแน่ ว, นว่าจะทํานี่คืออธิษฐานในพุทธศาสนาเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งที่ทําให้พระโพธิสัตว์ได้เป็นพระพุทธเจ้า ในช่วงคำพรนานี้เนี่ยเราจะมีการอธิษฐานพระเนี่ยจะมาจำพรรษาการจำพรรษาให้ครบสามเดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคนมาจากสารทุกสารทิศเรียกว่าร้อนะยพ่อพันแม่นะโดยเพราะวัดอย่างสุขโตนี่ก็มีพระมาจำพรรษาเยอะนะส0ิบี่สบนะ การที่จะอยู่ด้วยกันให้ครบทั้งพันษาให้ครบทั้งสามเดือนไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จริงแม้จะอยู่กันนน้อยก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องต่อสู้กับกิเลส ข, ของตัวเองผู้ที่มาปฏิบัติธรรักษาศีลศีลแปศีลสิบนะก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายทางพุทธศาสนาก็จะมีธรรมเนียมหรือมีอุบายมีวิธีการว่า จะต้องอธิษฐานก็คือว่าจะตั้งจิตแน่วแน่ว่าจะอยู่ให้ได้ครบท่วนสามเดือนไม่อธิษฐานมากเอาอธิษฐานเอาอธิษฐานขั้นต่ำก็คือว่าจะอยู่ครบท้วนไตรามาสคือไม่แหกพรรษาจะไม่จะไม่จะไม่ละทิ้งการจําพรรษาอธิษฐานนี่ใน ในช่วงเขา้าพรรษาก็มีทิษฐานแค่นี้แหละอย่างเช้านี้เนี่ยนะพระก็จะทิษฐานครือทิษฐานพรรษาก็คือว่าตั้งจิตแน่วแน่ว่าจะจำพรรษาครบสามเดือนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็จะไม่ไม่ไม่เลิกการจำพรรษาเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆซึ่งพระวินัยก็กำหนดไว้เช่นพ่อแม่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยอย่างหนักอันนี้ก็ ก็จะเปลี่ยนใจได้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแม้จะทุกข์แม้จะลำบากเพียงใดก็จะจำพรรษาให้ได้ครบถ้วนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะว่าการทำความดีเนี่ยมันต้องอธิษฐานโดยเพราะความดีที่เป็นการทวนกินเลน ละทิฏฐานนี้ก็ไม่ควรว่าจะเป็นเฉพาะสําหรับพระพวกเราซึ่งเป็นคารวาะแม้จะไม่ได้จาบรรษาที่วัดนี้ถ้าหากว่าเราตั้งจิตว่าเออพรรษานี้เราอยากจะทําความเพียรเราอยากจะลดละเลิกบางอย่างเช่นอบายมุขทั้งเก่าทั้งใหม่เราอยากจะลดละนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างอย่างน้อยก็ในช่วงเข้าบรรษาเช่นบางคนชอบนินทาก็ตั้ง จิตอธิษฐานว่าพรรษานี้จะไม่นินทาหรือนินทาได้แค่วันละสองครั้งนะยอมให้หน่อยนะใครที่เป็นคนมักโกรธก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะโกรธคนได้แค่วันละครั้งนะใครที่ติดกาแฟก็จะบอกว่าพรรษานี้จะงดกาแฟใครที่ชอบกินจุบกินจีก็อธิษฐานว่าจะงดการกินจุบกินจิบกินแค่วันละสองมื้อสามื้อพอใครที่ชอบดูหนังติดติ ด, ต, ด, ต, ดติดละคร หนังเกาหลีซีรีก็อธิษฐานว่าจะงดใครที่ชอบโทรศัพท์ติดโทรศัพท์มือถือโทรวลสามชั่วโมงก็ลดนะวัลชั่วโมงคือลองพิจารณาดูว่าเรามีกิเลสอะไรที่อยากจะลดอยากจะละบ้างก็ใช้ช่วงเวลาข้าพัรษานี้แล้วก็อธิษฐานแต่อธิษฐานนี้ไม่ใช่อธิษฐานเฉพาะในสิ่งที่จะลดอย่างเดียว ควรจะทิฏฐานในสิ่งดีๆที่เราอยากจะทำด้วยเช่จนจะนั่งสมาธิจะเจริญสตินะวันละหนึ่งชั่วโมงวันละสองชั่วโมงนะแต่ว่าถ้ามาจำบรรษาที่นี่ก็ควรจะทำมากกว่า น, นี้เช่นสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะเนี่ยคือเราต้องตั้งจิตแบบนี้ด้วยสมัยที่ตมาบวชใหม่ๆที่วัสนามไนเนี่ยอธิษฐานแค่สองข้อ อันที่หนึ่งคือไม่นอนกลางวันจะยังไงก็ตามจะไม่นอนกลางวันสองจะอยู่วัดสนามในให้ครบเดือนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ยอมไม่ยอมหนีไปไหนแล้วก็มีสิ่งท้าทายเยอะมากมีมามาประจุเยอะมากแต่ก็จะไม่ก็แต่พอตัดสินใจว่าจะไม่อยู่อาจจะไม่ออกจากวัดสนามในหากไม่ครบเดือนก็ฟันฝ่าจนจน ผ่พ้นไปได้และปรากฏว่าได้ผลดีด้วยเพราะว่าทีแรกท่อาการปฏิบัติมากปวดแขนปวดโน่นปวด น, นี่อยากจะหนีอยากจะหนีไปปฏิบัติที่อื่นอยากจะไปสวนโมกแต่เนื่องจากติดอธิษฐานก็เลยต้องพยายามอยู่ให้มันครบเดือนก็อยู่แบบไม่มีความหวังก็เลยปฏิบัติแบบไม่มีความหวังพอปฏิบัติแบบไม่มีความหวังมันก็เลยเห็นผลอาทิ่เครียดที่ทุกเพราะว่าปฏิบัติอย่าง ปฏิบัติด้วยกิเลสปฏิบัติอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่มันก็เลยไม่ไม่ประสบความสาเร็จก็เลยเครียดแต่ว่าเพราะอาธิษฐานเอาไว้ก็เลยทำให้สามารถที่จะมีส่วนทำให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะแค่อธิษฐานว่าจะอยู่ปฏิบัติให้ครบเดือนเท่านั้นเองมันก็มีส่วนช่วยทำให้อยู่มาจนทุกวันนี้ได้ะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าปะ อ, อย่ามองข้ามเรื่องการอาธิษฐานนะก็ฝากไว้ว่าพวกเรานะ วันนี้อย่าเพียงแต่รับรู้ว่าพระทั้งวัดอธิษฐานหรือว่าแม่ชีอธิษฐานอย่างเดียวพวกเราก็ลองกลับไปอธิษฐานาที่บ้านว่าเราจะทาว่าเราจะลดละอะไรบ้างแล้วก็ทำให้ได้แล้วก็อธิษฐานว่าเราจะทาอะไรบ้างที่ดีๆนะอย่างตอนที่เป็นคารวาเนี่ยอธิษฐานภาษา ก็คือจะอ่านหนังสือพุทธธรรมให้ได้เวะลาสิบหน้าหนังสือมีประมาณพันหน้าไม่เคยอ่านได้จบสักทีก็เลยอธิษฐานเนี่ยพันศานิจารให้ครบให้ครบให้จบเล่มวันละสิบหน้าสิบหน้าสิบหน้ า, นาแล้วก็ทําได้แต่ถ้าม่อธิษฐานนี้ทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องทำโน่นทํานี่กลับบ้านดึกต้องไปต่างจังหวัดแต่ก็ทําได้เพราะอธิษฐานนั่นเร า, เร า, าเราอย่าปฏิเสธอย่ามองข้ามวันนี้ และอธิษฐานจะได้ผลต้องมีการยานามิตรอย่างที่เมื่อกี้เราสวดเนี่ยการยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์การทําความดีถือว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งนะการรักษาศีลหก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้การรักษาศีลแต่ก็เป็นพรหมจรรย์ได้นะการยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรในพรรษานี้ก็ขอให้ประกาศ ให้ไกลานมิตรทราบแล้วก็ให้เข้าร่วมมือหรือทำกับเป็นกลุ่มก็ได้ทำสมาธิร่วมกันเป็นกลุ่มก็จะมีกำลังใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายลืมอย่ามองข้ามไกลานามิตรไปเอาล่ะก็คิดว่าคงพอจะได้แนวสำหรับการเข้ากัรษานะเพื่อชีวิตที่ดีงามนะเพื่อการเข้าถึงความสิ้นทุกขนะ์สุดแท้แต่จุดมุ่งหมายของแต่ละคน ก็หวัง ว, ว่าพรรษานี้เราจะมีกำลังใจมีความแน่วแน่ในการที่จะทําชีวของเราให้เจริญงอกงามลดละสิ่งที่เป็นเครื่องบันทอนชีวิตเป็นสิ่งที่นวงเหนียวรังชีวิตให้อยู่ในความเสื่อมถอยแล้วก็พยายามพัฒนาตนให้เข้าถึงความเจริญงอกงามโดยเพราะด้วยสติด้วยปัญญาตลอดทางพรรษานี้นะเอาละจากนี้ไปพระท่านก็จะ เริ่มอธิษฐานพัรษา